เราทําอะไรถ้าเราไม่มีสัจจะไม่มีอธิฐานมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องมัดเป็นเครื่องผูกนี่เป็นหน้าที่เราอลไรใช่ไหมฮ ะ, ะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีตั้งสัจจาอธิฐานเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องมัดเป็นเครื่องผูกอเพราะเครื่องมัดเครื่องผูกนี่เป็นอธิฐานบารมี เป็นสัจจกรรมีพระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งสัจจาที่ฐานเห็นไหมเนื้อเลือดเหงื่อแห้งไปเหลือแต่นังหุ่มกระดูกจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดเรารู้สิอันนี้มอบให้ระเด็นนี่มอบอัตภาพร่างกายให้พระพุทธเจ้ามาตั้งใจนั่งให้ดีนั่งภาวนาดีเก็บเพืนมามอบให้พระพุทธเจ้าแล้วปวดขึ้นมามอบให้พระพุทธเจ้าแล้ว อย่าขยับไปอยาขยับมาก็แล้วกันนะ <c oughs> ตรงนี้เป็นวัชร ธ, ธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติที่คุณหมอประยุดรถเพิ่นตั้งมายี่สิบกว่าปีแล้วตอนตอนหลังมานี่ก็มัถวายเป็นสมบัติของหลวงตาหลวงตามหาบวญยันสัมปันโนน พวกเราจึงมีส่วนเข้ามาช่วยอบรมเ <c oughs> มื่อก่อนก็มีทั้งคารวาสมีทั้งอะไรมาร่วมกันอบรมแต่ตอนหลังมานี่ก็ <c oughs> ถึงพวกเราเมื่อเกี่ยวข้องกับน้งตา <c oughs> ก็เลยต้องเท่ากับดึงกันมาและตอนนี้ดึงกันมาช่วยกันอ <c oughs> เป็นที่ตั้งเป็นที่ ปฏิบัติมายี่กว่าปีแต่คุณหมอเขาตั้งตั้งให้เป็นอนุบาลหมอเขาบอกเป็นอนุบาล น, นะแต่ทําไงเพราะเรามีแต่จบปริญญาที่นน่นจบปริญญาที่นี่มาเราจะทํำยังไงลนะหลักสูตรอนุบาลกับหลักสูตรปถมมัธยมปริญญาด็อกเตอร์นะทําไมมันจะเข้ากันเราไม่ได้คิดแบบนั้น นั่นเป็นการคิดแบบโลกโลกแบบวุฒิความรู้ที่เราเรียนเราศึกษาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงใจท่านจะพูดถึงเรื่องทานก็ถึงใจพูดถึงเรื่องศีลก็ถึงใจพูดเรื่องสมาธิก็ถึงใจพูดถึงปัญญาก็ถึงใจเพราะทุกถ้อยทุกคําของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเอามาสอนพวกเรานี้เพื่อมา เป็นแสงสว่างบอกเตือนให้เรารู้จักพฤติกรรมของเราเองให้เรารู้จักพฤติกรรมของเราเองธรรมะของพระพุทธเจ้ากันเดียวกันแสดงจบเทศจบลงไปแล้วทําให้ผู้ฟังบรรลุธรรมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ฟังจะมีภูมิแตกต่างกันเท่าไหร่ก็ตามธรรมะของพระพุทธเจ้ากันเดียวเนี่ยทำให้ผู้ฟังเลือกฟังแล้วก็ได้สําเร็จ ประโยชน์ต่อประโยชน์ให้กับตนเองทุกทุกคนทุกรายไปยกตัวอย่างเช่นอย่างยัตสักุลบุตรเนี่ยที่แรกฟังคนเดียวได้ดวงตาเห็นธรรมพอรอบที่สองมาฟังกับพ่อ <c oughs> รูปทีเจ้าท่านทรงแสดงธรรมะกันเดียวกันแสดงอนุปปิกถาแล้วก็จบด้วยอ ร, ย ร, รอิยสัจสี่พร ะ, พระยั ต, ย ต, ยตสักุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมตอนฟังคนเดียว พอฟังรอบที่สองกับพ่อฟังลูกปุพิกฆานี่แหละการฟังกันเดิมซ้ําเข้าไปอีกยัะกุลบุตรได้เป็นพระอรหันต์พ่อของตัวเองเน่ยที่ท่านเป็นเป็นท่านเสรษฐีน่ยได้ดวงตาเห็นธรรมนะฮะมันปรับไปตามพื้นเพรจริตนิสัยของของภูมิของจิตของเราอ่าพราะฉะั้การที่เราตั้งในทีน่นี้เพื่อเป็นการท่อม ทำตนไม่ให้เราเหนื่อยนายคลายจางจากข้อวัดปฏิบัติระบบระบบขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราตั้งใจถือตั้งใจปฏิบัติตรงนี้เราเห็นว่าเข้มพอสมควรเท่าที่เรามาเกี่ยวข้องมาตลอดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการตั้งสัจจาทิฏฐานเนี่ยถึงใจจริงๆเป็นการมัดกิเลสได้จริงๆนะขอให้เราถึงถือตามสัจจานี้ ในระหว่างที่เราตั้งใจอบรมนี้สามวันกับสองคืนเนี่ยสมวันกับสองคืนมีการอธิษฐานแล้วนะเนี่ยอธิษฐานจบลงไปแล้วนะาบางคนอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจอธิษฐานจบลงไปแล้วเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วนะนี่เป็นสัจจะอย่างหนึ่งเป็นการปิดวาจาว่าจะไม่พูดคุย ยกเว้นมีความจำเป็นกับธรรมบริกรมีความจำเป็นต้องถามกับผู้อบรมพิปิศาอาจารย์อาจารย์ผู้ให้คำอบรมถึงจะพูดจะคุยได้การตั้งสัจจาทิษฐานตามที่เราตั้งไปแล้วนั้นเหมือนกับว่าให้พวกเราต่างคนต่างปิดปาก แล้ต่า ง, งคนต่างตั้งใจสำรวมระมัดระวังเราอยู่ด้วยการเราเกี่ยวข้องกันกับเรื่องอะไรก็ตามมานั่งรับทานอาหารลุกยืนนั่งเข้าห้องน้าเข้าห้องนอนทำตรงนัน้ต น, นตรงนี้อะไรค้องไข่มันก็มีจุดประสงค์มีเป้าหมายของตัวเองว่าตัวเองกาลังจะทำอะไรแล้วก็ไปจัดไปทำไ ป, ไปนู่นไปนี้ เรื่องของคนอื่นทุกคนก็รับผิดชอบตัวเองอย่างนี้คนนั้นก็รับผิดชอบตัวเองอย่างนี้คนนี้ก็รับผิดชอบตัวเองอย่างนี้มันก็ทําให้ระเบียบของเราเนี่เป็นการพยุงกันไปได้อย่างดีเป็นการประคองเป็นการพยุงเป็นการรักษาระเบียบระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีกฎทั้งหลายทั้งปวงที่เราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเราเพราะพฤติกรรมภายในจิตของคนเรานะั้นมันมีกิเลสห้อมล้อม เต็มไปทั่วถ้าหากไม่มีเงื่อนไขให้กับมันเนี่ยมันเอาไปเป็นลูกสมุนของมันหมดมเพราะฉะนั้นใครต้องการจะต่อกอกับกิเลสปับ๊บเริ่มมาตั้งแต่ให้ทานต้องต่อกกันแล้วกับกิเลสต่อกอกับกิเลสตัวมัจฉริยะใช่ไหมกิเลสมัจฉริยะตัวความเห็นแก่ตัวตัวการถือเนื้อถือตัว ถือทิฏฐิมานะไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมลอดราวาศอกนี่ตัวทิฏฐิมานะกิเลมันถือเนถือตัวพอเราเริ่มพอเราเริ่มให้ทานปั๊บเนี่ยวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเห็นไหมวัตถุทานธรรมทานอภัยทานการบอกกรัรแนะการสอนด้วยปากด้วยคําพูดด้วยกิริยาด้วยทําให้ดูนี่มันเป็นคําสอนทั้งหมด มันเป็นธรรมทานนะมันเป็นการเผื่อแผ่จากคนที่รู้ไปเผื่อแผ่กับคนที่ไม่รู้จากคนที่รู้แล้วก็เข้าใจในเมื่อต่างคนต่างรู้ต่างก็อนันโมทนาแก่กันและ ก, กันอภัยทานนี่สำคัญเพราะคนเราเราเกี่ยวข้องกันคนเราเราอยู่ด้วยกันเราเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญแก่กันและ ก, กันนักต่างคนต่างจะเอาใครเอาเรา ต่างคนต่างจะถือถือดีใส่กั น, นเพราะฉะนั้นเราสามารถลดกิเลสตัวนี้ได้ด้วยการให้อภัยให้อภัยเป็นฐานการเราการที่เราลดตัวนี้ได้ทําให้เราลดทิฏฐิมานะหลงหู้ได้อย่างทันท่วงทีเลยกิเลสเหมือนกระหางยิ่งจกมันขาดดิน่นเดาเดาลองลองให้มันขาดดิน่นลองดูไม่ถือโทษโกรธแทนกับคนนั้นกับคนนี้ไม่เพ่งเลง็งคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ เพ่งเล็งกิเลสในหัวใจของตัวเองอเพราะเรื่องของธรรมะนะั้นเป็นเรื่องของโอปะนายโกถึงแม้ว่าจะดูไปข้างนอกแต่ทั้งให้น้อมมาเพื่อประโยชน์ข้างในไม่ใช่ดูไปข้างนอกเพื่อที่จะเอามาตําหนิตีเตียนข้างนอกดูมาเพื่อที่จะเทียบกับดูมาหาน้อมเข้ามาข้างในแล้วเพื่อที่จะมาเทียบกเราเอ้ยสู้เราไม่ได้เก่งเท่าเราไม่เก่งเท่าเราสู้เราไม่ได้โงกว่าเรา ทุบกว่าเราจนกว่าเรารูปไม่งามเท่าเรา น, า น, านาี่ยเห็นไหมท่านไม่ไม่ให้เอามาเทียบอย่างนี้ท่านไม่ให้เอามาเทียบอย่างนี้ให้เอามาเทียบว่าโอ้กรรมของเขาโอ้กรรมของเราเอามาเป็นเป็นแนวปฏิบัติอันนั้นไม่ดีไม่ยึดเอาไม่ถือเอาโอ้อันนั้นของเขาดีเราน้อมมาถือเอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาแต่ถึงธรรมะขั้นละเอียดจริงๆแล้วท่านให้อยู่ข้างในให้หมุนอยู่ข้างหน ให้เหมือนอยู่ข้างในโดยเฉพาะวันนี้พวกเราเข้ามาสู่เวทีอีกวาระหนึ่งผู้ที่เคยมาเป็นประจำแล้วก็มีมาเกือบทุกครั้งเลย <c oughs> บางคนมาเกือบทุกครั้งมาเกือบทุกเดือนบางคนก็ไม่เคยเข้ามาบางคนก็เป็นคนใหม่ยังไม่เคยเข้ามาบางคนก็เป็นคนเก่าที่อื่ น, ท, นที่นู่นที่นี่เราก็เข้ามาเราก็ได้ยินได้ฟัง หากทุกที่จะให้เหมือนกันไม่เหมือนดอกเราจะไปถือสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องสำคัญก็ให้เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ระเบียบที่เราถือตรงนั้นตรงนี้อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่นี่แค่เราสมาทานสมาทานแล้วก็ตั้งสัจจาธิฐานปิดวาจาไม่พูดในสิ่งอื่นที่ไม่จำเป็น ถึงขั้นเจ็บไข้ใดป่วยจะเป็นจะตายจริงๆมีเหตุมีผลพออันนี้เราก็เราไปใช้ได้กับธรรมบริกรกับครูบาอาจารย์เราเกี่ยวข้องได้เราพูดได้แล้วก็ดูมันจะมือทองมือถืออะไรนี่ก็ไม่ให้มีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้น ะ, ะถ้ามีสิ่งเหล่านี้อีกก็มากวนใจเราอีกปิดให้หมดในระหว่างที่เราอยู่สมวันสองคืน แค่นี้มันเป็นการมาสร้างอันสวนให้ ก, กับชีวิตของเราชีวิตของเราโอกาสที่เราจะเข้าใหม่อย่างนี้มันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเลยดูแต่บางคนแค่ศีลห้าไม่รู้จักศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสมข้อสี่ข้อหารู้จักอยู่แต่ไม่เคยถือประพฤติปฏิบัติตามเลยไม่เห็นสําคัญเห็นพวกที่ถือตามนั้นประพฤติตามนั้นปฏิบัติตามนั้นเป็นคนคลึกเป็นคนล้าสมัยอยีกด้วยซ้ำไป ทมหากินไม่ทันเขาโง่ฉลาดไม่ทันเขาไม่ทันโลกแน่พลอยจําหนิกเขาไปอีกทัองทั้งที่ตัวตัวเองตกกระป๋องไม่ทันสมัยไม่ทันสมัยของพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าทันสมัยหมดอพุทธสมัยธรรมสมัยสังฆสมัยทันสมัยหมดอ่า อดีตการก็เป็นสมัยหนึ่งปัจจุบันการก็เป็นสมัยหนึ่งอนาคตการก็เป็นอีกสมัยหนึ่งแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยตลอดทําไมท่านเรีว่าทันสมัยตลอดเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสมถะไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาท่านสอนให้เรามาปลกุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้ตื่นรู้รู้สว่างสวายโยน ความตื่นรู้โร่ำสว่างสวยัยอยู่นั่นแหละไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่กับปัจจุบันเราตั้งใจปฏิบัติให้ได้อยู่ในขณะปัจจุบันสมถะของเราถึงจะได้ผลวิปัสสนาของเราถึงจะได้ผลถ้าหากเราไม่อยู่ในปัจจุบันเราไม่ทันในปัจจุบันตัณหามันสวมรอยมาง่ายมากเร็วมากเราส่งไปข้างหน้าปับ๊บมันสวมรอยข้างหลัง เราส่งไปข้างหลังปั๊บมันสวมรอยข้างหน้าเราทําให้กลางๆโวปั๊บมันสวมรอยมาตรงกลางตันหามันค่อยตามมาแทรกแซงเรามาค่อยมาสวมรอยเราตันหามันมีตัวตนไหมตันหามีตัวตนไหมตันหาเป็นสมุทัยที่ไม่มีตัวตนตันหาเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวตนทําไมเราจะดูเห็นทำไมเราจะดูออกดูไปที่ใจของเรา เราย้อนดูไปที่ใจของเราตัณหาแปลว่าความยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจดิ้นปั๊บไปเรื่องนั้นดิ้นปั๊บไปเรื่องนี้มันไม่ดิ้นไปเรื่องอะไรหรอกมันดิ้นไปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาริษยาเรื่องพยาบาทเรื่องปัญหาสารพัดที่พันหัวอยู่นั่นน่ะพันหัวใจปัญหามันพันหัวใจอยู่ บางปัญหาครับคิดง่ายๆแก้ง่ายๆแก้ได้แก้ตกบางปัญหาครับแก้ไม่ตกบางปัญหาต้องอาศัยเวลาเนี่ยมันพันหัวใจอยู่นั่นตัณหามันตามพันพันหัวใจมันมาเกาะหัวใจมันมากินที่หัวใจของเราเนี่ยเราปล่อยช่องไม่ได้เราตื่นโรออยู่ทุกขณะนั่นแหละทันสมัยแท้ๆเลยทันสมัยสินธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ปรับทันสมัย วันนี้วันเป็นเป็ น, ปนตอนแรกเรามาผดภณิเทศจะแล้วมาตั้งใจสมาทานศินแปสมาทานศินแปดแต่ศินแปดนี่จะบอกองค์ประกอบพอคร่าวๆเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจข้อหนึ่งไม่ไม่ฆ่าสัตว์ท่านห้ามฆ่าสัตว์สัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่ว่าจะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปงวงนั่นแหละไม่ให้เราคิดจะเบียดเบียนไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะเบียดเบียน ไม่ให้เบียดเบียนนอกจากนั้นแล้วไม่ให้คิดจะฆ่าคิดจะเบียดเบียนนี่ข้อหนึ่งนะทําไมพอเราทำเราทำพอเราทําไปแล้วหมวายความเราล่วงลวงศินข้อหนึ่งทำให้ศินข้อหนึ่งตกไปขาดสินขาดสินขานะมันไม่ใช่มันขาดเฉยๆนะมันเป็นเวรเป็นภัยนะสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวใหญ่ที่เราไปเกี่ยวข้องไปทําความเบียดเบียนมันมันมีโทษมาถึงเรา บางทีเราไปเบียดเบียนสัตว์ตัวตัวใหญ่บางทีค่าการมนุษย์ฆ่ามนุษย์นี่ยฆ่าสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเวรเป็นภัยมันเป็นเวรเป็นภัยเวรภัยมันทําให้เราถึงกันได้ยังไงเราดูแต่คนสองคนเนี่ยสมมติอ่ะคนนั้นทําให้คนสมมติอ่ะคนคนนั้นทําให้เราเครียดเนี่ยเรายอมไหมเราไม่ยอมเราไม่ยอมเราผูกใจเก็บไหมนี่ไอ้ตัวผูกใจเก็บตัวนี้แหละมันเป็นเวรเป็นภัย มันคิดโกรุนอยู่นั่นแหละเพราะได้ช่องได้โอกาสมันก็เล่นงานตอบนะเพราะได้ช่องได้โอกาสมันก็เล่นงานตอบนี่แหละเขาเรียกว่าเวียนมันคอยแต่จะคอยแต่จะจองคอยแต่จะล่าคอยแต่จะล้างคอยแต่จะผลานคอยแต่จะแก้แค้นโดยเหตุที่หัวใจสองหัวใจไม่ยอมสัตว์ตัวเล็กๆมันก็มีความรู้สึกนึกคิดรักชีวิตของมันมันไม่ยอมือกันเราไม่อยากตายเราไม่อยากตายเราไม่อยากตายมาฆ่าเรามาฆ่าเรา เราไม่อยากตายเราไม่อยากตายนี่นอกจอากนั้นแล้วมันน่ยมั น, ม, นมันตั้งสาบตั้งแช่งใส่เราเ น, นะตั้งสาบตั้งแช่งใส่เราอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ดีดีมนุษย์บริสุทธิ์นี่แหละถูกเขาทาร้ายใส่โทษเนี่ยอ่าถูกเขาทาร้ายใส่โทษมาจะมาทําทุกข์มา ท, ท, มทรมานเนี่ย มาจับมาทำทุกทรมานทรมานจนตายเนีเวลาก่อนจะตายสาบแช่งเลยตอนี้ขอให้คนคนนี้เกิดพบในชาติใดจะได้มีความสุขเลยให้มีแต่ความเร่าร้อนใจมันผูกเจ็บในหัวใจเห็นไหมนี่เวีกรรมเวียนกรรมคือมันไม่ยอมในเมื่อใจมันผูกมันเจ็บมันมันเจ็ บ, จบแล้วก็ตกเป็นกรรมของคนคนนั้นเพราะได้ช่องได้โอกาสมันก็ไปสนอง เพราะได้ช่องได้โอกาสเพราะมันมีพลังแรงแรงผูกมันเป็นแรงอุปาทานมันผูกเอาไว้เพราะได้ช่องได้โอกาสมันก็ไปสนองมันไปสนองบางคนเคยฆ่าเดี๋ยวก็ได้รับการฆ่าตอบเคยเบียดเบียนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็ถูกการเลียดเบียนต่อรวมไปถึงการลักเหมือนกันเคยลักของเขาเดี๋ยวก็เดี๋ยวโดนถูกลักตอบคือมันไม่ยอมมันไม่ยอมนี่่าสัตว์ลักทรัา ให้เราระมัดระวังเอาไว้สัมบูรณ์ระมัดระวังเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มันถึงกายถึงวายจะของเราเลยน ะ, ะมันถึงกายของเราต้องงดต้องเว้นต้องตั้งต้องตั้งใจงดต้องตั้งใจเว้นเราฟังให้เข้าใจฟังที่ใจระลึกเข้าไปลึกๆที่ใจแล้วก็นั่งภาวนาวฟังนั่งภาวนาวฟังฟังเอาเนื้อหาของขอ ง, ของธรรมะข้างใน เราจะเราจะเข้าใจแนวปฏิบัติข้างในลึกๆที่สำคัญที่สุดก็พยายามรวบรวมให้จิตของเราอยู่กับอยู่กับคำอบรมนี่หรือไม่ก็นั่งนั่งฟังนั่งภาวนาไม่ให้มันหลับไม่ให้มันสับกระสับกระส่ายไม่ให้จิตมันคิดขัดแยง้งในหัวใจของเราปานาทินอาพร ม, มาอาพร ม, มาข้อสนี่ข้อสของสินแปด ไม่เหมือนสี่ห้านะสี่ห้าสามีภรรยายังเกี่ยวข้องกันได้แต่ศี่แปสามผู้ชายผู้หญิงเกี่ยวข้องกันไม่ได้แม้สามีภรรยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้ละเอียดไหมอ่าละเอียดไหมพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ากามเป็นเรื่องร้อนราคคินาโทสัคินาโมหคินาราคคิโทสักิโมหคิอ่าราคะคือไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นไฟ แต่พวกเราเห็นแต่ไฟที่มีเปลวมีควันเป็นแท่งแดงๆเราพวกเราเห็นแต่ไฟแบบนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าราคะคินาโทสัคินาโมห oh คีนาราคะโทสม oh a, ัมโมห์เป็นไฟเป็นไฟเพราะฉะนั้นเราพยายามดึงใจของเราออกจากไฟสิ่งข้อที่สามให้เราดึงดึงใจของเราออกจากไฟไฟมันร้อน แต่มันเป็นเยื่อที่อาดิดอร่อยของกีเลสเราดึงออกจากมันได้ยากมากมันไม่ยอมเพราะอันนี้มันเป็นยอดยอดกามยอดของกามดึงออกยากมากรูปเสียงกนรดผลิตภะอะไรอย่างอื่นเป็นเรื่องรองลงไปแต่เรื่องตัวนี้มันเป็นเรื่องยอดยอดของกามคุณเพราะฉะนั้นมันจึงมัดจิตมัดใจของคนเราละเอียดลึกไปยาวนานทีเดียว ไม่มีกําลังพอไม่สามารถจะเอามันลงจากหัวใจได้สิ่งข้อสามเนี่ยท่านจึงให้เราหัดท่านเห็นประโยชน์ของการอดของการเวน้นถ้าไม่เริ่มอดไม่ไม่เริ่มเว้นเนี่ยทำไมเราจะงดได้เราจะเว้นได้ทํำไมเราจะถอดได้ปล่อยได้วางได้ท่านจึงให้ให้อดไม่เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างพร้มคนเดียวพร้อมนี้เป็นตัวคนตัวคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครเนี่ย จิตใจปลอดโปร่งเหมือนคนไปบําเพินพรหมจรรย์อยู่ในป่าในเขาไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรสะดวกสบายนี่มุสาไม่พูดไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพย์เจอไม่ไม่พูดตลกขนองรวมถึงไม่พูดคำหยาบคายอไม่แสดงกิริยาเท็จด้วยกายด้วยวาจาไม่ทำนึกคิดด้วยใจนละเอียด ให้ลึกเข้าไปข้างในศ <Yeah. S 1> ินข้อข้อสินข้อหกก็ไม่รับทานอาหารในอย่างวิการตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงอารมณ์ขึ้นวันใหม่ท่านถือว่าเป็นอย่างวิการอย่างวิกาล ว, วันนี้วันนี้เห็นธรรมบริกรว่าอย่างน้อยพวกเรามีเวลารับทานเผื่อบางคนไม่ไหวรับทานจะเลื่อเวลาให้ก่อนเที่ยงหลังเที่ยงไปแล้วถ้าใครเผลอ เที่ยงล่วงไปแล้วรับทานผิดศีลนะเพราะเรารับศีลไปแล้วเมื่อรับทานอาหารในยามวิกาลหลังเที่ยงไปแล้วเป็นยามวิกาลไปจนถึงอารมณ์เคลนของวันใหม่เป็นยามวิกาลยามวิกาลนี้ถือว่าเป็นยามที่เรารับทานอาหารไม่ได้เล็กตะซอยพวกเราถือว่าเป็นอาหารนมนี่ถือว่าเป็นอาหารทั่วเหลืองเราถือว่าเป็นอาหารตามที่วัดป่าเราถือนะ เป็นอาหารพวกยาคูลยาเคลอะไรเนี่เป็นอาหารเป็นอาหารแต่ถ้าเป็นกาแฟโกโก้กาแฟอย่างนี้ได้น้ำผลไม้ที่ไม่มีกาดได้เป็นน้ำป่านะที่ไม่มีกาอย่างนี้ได้โกโก้กาแฟโอวัลตินถือว่าเป็นอาหารโอวัลตินนี่เป็นอาหาร ถ้าใครต้องการถือให้ให้ละเอียดให้ยิ่งขึ้นไปอย่าลืมว่าถือหยาบก็ได้แบบหยาบชืถ้ถือกลางก็ได้แบบกลางกลาถือละเอียดก็ได้แบบละเอียดก็เมือ่อเราได้ของหยาบของกลางของละเอียดเราถือละเอียดเราก็ได้ละเอียดนี่นี่คือสลข้อ6ศสินข้อ7ก็คือนักจะคีกับมาลาเท่ากับศินข้อสองของสัมเณีนัสนสัมมณีเขาไปแยกเป็นนักจะคีข้อหนึ่งมาลาข้อหนึ่งนักจะคีก็คือ ไม่เพลินไปกับการร้องราทำเพลงไม่เข้าไปฟังประโคมดนตรีร้องราทำเพลงแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ร้องราทำเพลงไม่ดีดสีตีเป่าด้วยตัวเองร้องราทาเพลงด้วยตัวเองไม่คิดร้องเพลงด้วยปากของเราเองแม้แต่นึกคิดเป็นอารมณ์ในภายในเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งช่วยเอื้ออำนวยให้กิเลสมันอ้วนผีหน่วย ใ, ใจของเรา ถ้าไม่เกิดความเพลินสนุกสนานไปแค่นั้นเองไม่ให้ร้องเพลงเพราะกิริยาเหล่านี้มันเป็นกิริยาเป็นกิริยาของความอยากของตันหาเสริมให้เรายิ่งหลงเข้าไปอีกนักจะขี่มาลาก็คือประดับประดาตกแต่งร่างกายประดับประดาตกแต่งร่างกายคนเรามีอะไรตกแต่งร่างกายมีเสื้อผ้าอาบท เ, เครื่องสวมเครื่องใสเครื่องประดับประดา ทาปากหีผมอะไรตัวอะไรเนี่ยเพียงแต่รักษาร่างกายของเราให้สะอาดเป็นปกติเป็นสุภาพเรียบเรียบร้อยนี่ก็ถือว่าเป็นการอยู่ได้รักษา อ, อาบน้ำชำระขัดขัดขา ด, ดเกลาลางหน้าแปรงฟั น, นแต่มันมีสิ่งอื่นทำเข้ามาแต้มสีนุ่นแต้มสีนี้เข้าไป นี่เขาเรียกว่ามาลาประดับประดาตกแต่งร่างกายการที่เราสามัมโนนใส่ใส่นุนใสน่นี้เราใส่ไปแล้วเราเร า, เราดูไปที่ใจของเราเออเราทำํำงี้สวยทํางานสวยทํางี้สวยทํางั้นสว ย, น, สวยนั่นมันเป็นการเพลินไปกับเพลินไปกับสิ่งที่เราสวมใส่แล้วก็ทําให้เราเพลินมันตกมันเป็นเหยื่อของตัณหามันเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาใส่ชุดนั้นดีเหลือเกินใส่ชุดนี้ดีเหลือเกิน ชุดนั่นใหม่ราคาแพงๆโอ้ไม่ดีไม่เข้าท่าเลยไม่สมกับราคาแพงเลยเนะี่ยบางทีไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่เลยเอาไปทิ้งแล้วบางทีก็ใส่สองครั้งสามครั้งก็ทิ้งแล้วกองแล้ว <c oughs> ชุดสวมใส่เพื่อกันแดดกันหนาวกันร้อนกันเหลือบกันยุงปกปิดความละอายถ้าเรามาคิดแบบพระแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงง่าย เป็นการเลี้ยงง่ายเป็นการอยู่แบบธรรมชาติจริงๆเราไม่ได้ทําเพื่อเป็นการประดับประดาเป็นการตกแต่งนักจะคีมาลาเนี่ยข้อเจ็ดนะรวมเป็นสองข้อเป็นข้อหนึ่งเป็นข้อเจแล้วก็ข้อสุดท้ายอุจจาร์อุจจ า, จาที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสําบดีคือที่นอนที่นั่งที่นอนนิ่มนมุ่มนั่งไปแล้วนอนไปแล้ว สมายและเกินเพลินและเกินหลับไม่รู้จะตื่นเงนี้บางทีมันสะุสกสบายมันละเอียดเกินไปเวลาเราไปสัมผัสปับ๊บทำให้กามมันกำเริบนะยุแย่กามภายในกายในใจก็ร้ายกำเริบอีกแล้วท่านจึงให้ระมัดระวังมากที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วย น, นุ่นและสำลีแค่อยู่ตรงไหนตั้งแต่รักษาศีลแปดเป็นต้นไปแล้วเอาผ้าปูกับพื้นแล้วก็นอนนั่น ไม่ไม่ไม่นอนที่นัาที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีนุ่นและสำลีอันนี้มีในพระบาลีแต่พวกเรามักจะเรื่องบาลีไอ้สิ่งที่มันนุ่มมันนิ่มด้วยฟองน้ําเอ่ยด้วยใยพรอมเอ่ยด้วยอะไรเอ่ยนีย่อันนี้เราถือว่าไม่ใช่สำลีนะ mm hmm. เรื่องบาลีก็ให้เราพิจารณากันแล้วกันหละ่ะเราจะใช้ของที่ธรรมดาธรรมดาหรือจะใช้ของที่ละเอียดนิ่มนมุ่มมันช่วยเสริม กิเลสตัณหาเหล่านี้ให้ให้เกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้นก็ถือว่านั่นนะเป็นเรื่องของการผิดศีลอันนี้ศีลแปดเป็นเป็นเรื่องที่ละเอียดนะมันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เราเอามาถือเอามาปฏิบัติและทําให้เรามีเหตุการที่เรางดเว้นตามนี้แหละมันเป็นการสร้างเหตุคุณงามความดีของเราก็จะเกิดขึ้นตามนี้เกิดขึ้นตามที่ละเราละเราเว้นตามเหตุเหล่านี้แหละ เนี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรามาอบรมนี้เราคาดว่านะเราคาดว่าพวกเราจะตั้งใจศึกษาศินแปดให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์และตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้ความสมบูรณ์ให้ได้เป็นคติให้ได้เป็นตัวอย่างให้ได้เป็นเยี่ยงอย่างที่จะถือประพฤติปฏิบัติในโอกาส ต, ต่อๆไปที่เราคาดว่าจะได้นะเรื่องสินเนี่ยินแปดซะด้วยนะไม่ใช่แค่สิน5้า เรารักษาสินแผ่มันครอบคลุมศินห้าไปอีกอรักษาศินแผ่นครอบคลุมศินห้าเข้าไปอีกแล้วก็คาดหวังที่ว่าจะได้ก็คือความสงบที่เราอสาห์มาตั้งใจนั่งฟังบางคนเขาก็ดูว่าพวกเรามานั่งโอ้สามวันสองคืนเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเรามันนับดูว่าเราขึ้นลงขึ้นลงบางทีกว่าจะจบหนึ่งวันเนี่ยเราขึ้นลงสามสี่ครั้ง ขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นมาอีกแ ล, ลงไปสามครั้งสี่ครั้งเราก็ได้ขยับขยายในการลุกในการนั่งแต่บางทีพวกเรานั่งอยู่ตลอดเห็นสัพเปลี่ยนไปเดินอยู่กรมบ้างอะไรบ้างบางทีรู้สึกว่ามันจะคร่าจะเคร่งจะเครียดถ้าใครเกิดความรู้สึกอย่างนั้นให้ถามลงไปอีกว่าเครียดคืออะไรนะเครียดคืออะไร ไม่เห็นมีอะไรเห็นเรานั่งนานๆเจ็บปวดขึ้นมาซะนั้นเองเจ็บปวดขึ้นมาเราระลึกสิเมื่อกี้เรามอบถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยโอ้เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าถวายท่านไปแล้วตายดีกว่าตายดีกว่านี่คราวที่แล้ววันมาฆบูชาระพายอยู่ตลอดคือที่ทำเต่าเนี่ยโอ้โหมีคนหนึ่งทนายคนหนึ่งเขาเข้าไปเขากำลังอ้วนด้วยอเขาต้องไปนั่งทรมานมากเลยนะกว่าจะจบ เพราะอะไรเพราะเขาไม่กล้าเลิกกลางคันเพราะเราพูดดักหน้าดักหลังเอาไว้พอพอกับที่พวกเราตั้งสัจจะทิฏฐานนี่แหละอร่างกายเหมือนจะแตกจะหักไปเลยมันก็ไม่เห็นแต่เห็นหาร์ดมันก็แค่นั้นเองนั่นแหะถ้าเราไม่ลองมีสัจจะไปมัดนจะอยู่ได้ไหมน่นะเดี๋ยวก็ขยับแล้วเดี๋ยวขยับแล้วเดี๋ยวก็ลุกไปแล้วเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปหลับเดี๋ยวก็ไปนอนเดี๋ยวไปสนุกอย่างอื่นแล้ว นี่เพราะฉะนั้นการที่เรามีสัจจะจึงเป็นเรื่องดีเราคาดหวังว่าในขณะที่เราตั้งใจนั่งอบรมพวกเราก็นั่งตั้งใจภาวนาแล้วก็จากนั้นบางช่วงเราก็จะพานั่งภาวนาไปพวกเราก็คงจะตั้งใจนั่งภาวนาเวลาเราอบรมก็จับหลักให้ได้แต่พวกเราก็ผ่านมาหลายแห่งหลายเวทีบางคนก็มีอารมณ์จับเป็นของตัวเอง ใครมีอารมณ์ยังไงท่านก็จับของท่านไปใครบริกรรมพุทโธพุทโธกำหนด ล, ล, ลมลมหายลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็บริกรรมไปสัมมารหังก็บริกรรมของท่านไปพองหนอยุบหนอก็บริกรรมของท่านไปท่านอย่าเพิ่งไปสงสัยต่อเมื่อท่านเข้าไปรู้ธรรมเข้าไปเห็นธรรมท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งเดียวกันเพราะผู้รู้ผู้ทํำเป็นผู้เดียวกันคือใจดวงเดียว ท่านจะเข้าไปยังไงก็ตามแต่ท่านเข้าไปถึงเอาการถึงนั่นแหละเป็นเป้าหมายเป็นประสงค์เป็นเป้าประสงค์ท่านจะเข้าไปจากทางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้จะเข้าไปทางไหนจะเอบเข้าไปตรงไหนไปถึงจุดศูนย์กลางที่เราต้องการจะเข้าไปตรงนั้นนั่นน่ะเอาศูนย์กลางตัว น, นั้นเป็นผลเราจะใช้วิธีใดก็ตามเราเอาความสงบเป็นตัวผล เอาตัวสติตื่นรู้รู้นี่เป็นตัวผลเอาความสว่างสวัยในหัวใจของเราเป็นตัวผลเอาตัวสกัดลัทนกขั้นตัณหาในหัวใจของเราไม่ให้มันมากำเริบไม่ให้มันแสดงกิริยาอาการทับจิตใจของเราให้จิตใจของเรามืดบอดนี่เอาอันนั้นเป็นตัวผลเอาปัญญารอบรู้ในกองสังขารมันเป็นการทำลายความลงของตัวเองเอาอันนั้นเป็นตัวผล เอาอันนั้นเป็นเป็นตัวผลเราไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นมาเป็นมาเป็นเครื่องขัดแย้งกันมันไม่ได้ขัดแย้งกันดอกข้อสาคัญขอให้เราตั้งอกตั้งใจทาให้จริงจังเท่านั้นเป็นอันเป็นอันได้ผล <c oughs> นี่ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิเอ็ดนาฬิกาก็คงจะเป็นหมดวาระตอนนี้ พวกเราได้ยินได้ฟังอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างระบบระเบียบบ้างนับตั้งแต่เรามาดูได้ยินได้ฟังธรรมะบริกรพูดคุยอะไรให้ฟังมันถือว่าเป็นเรื่องการศึกษาตลอดแต่ที่สําคัญที่สุดให้เราดํารงสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดในระหว่างที่เราตั้งใจฝึกฝนอบรม ให้มันมีสติกำกับอยู่ที่ใจของเราตลอดทห้นตื่นโรูอยู่ตลอดอเราจะประสบผลสําเร็จเราจะจะได้ผลในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจทําเราจะคุ้มค่าไม่ใช่มาเปล่าอยู่เปล่าเสียเวลาเปล่ากลับไปกลับไปเปล่ามานั่งเหน็ดเหนื่อยเปล่าไม่เปล่าคอยตั้งอกตั้งใจทํามีวิบากติเป็นนิสัยติดเป็นจริตเป็นนิสัยของเรา จึงอำนวยอวยชัยให้พอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไปให้ตลอดให้สุดเอาให้ชนะก็แล้วกันนะถึงชั่วโมงสุดท้ายนั่นแหละชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วเดินกลับบ้านอย่างตัวเบาว่องอะไแบนี้อ่าเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> อ